อันทะภาวะลัคโนโหนแปลอันทะนี่แปลว่าบอดหมดแต่โดยมากเขาไม่ค่อยแปลแรงๆอย่างนี้แต่จริงอันทะสาบเนี่ยคือแปลว่าบอดมืดบางแห่งเขาเรียกมืดมนที่จริงก็คือบอดนั่นแหละโยมบวรวัตรบอดไหมตาบอดพระเจ้าบ่าเราตาบอดมานานแล้วบอดเพราะโมหะโมหะมันปิดอีกอย่างหนึ่งน่านลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่า สภาพธรรมที่รู้แจ้งตรงต่ออารมณ์ปรมัสต์นี่ตรงเลยนะถ้าสภาพที่สองนี่นะลักษณะที่สองเนี่ยดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้าเหมือนคนยิงธนูตรงเป้าเป๊้เลยไอ้ น, นี่เจาะสภาวะประมัสต์ได้เลยลักษณะแรกนี่รู้ทั้งหมดตามความเป็นจริงและไม่หลงเพราะไม่บอดในลมนะั้นแต่ลักษณะที่สองเนี่ยตรงเลยรู้แจ้งตรงอารมณ์ปรมาสต์ดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้าเลยตรงนี้ ถ้าหากสภาพของโมหะนี่สภาพที่ไม่รู้อารมณ์ตามจริงใช่ไหลักษณะที่สองเขาเนี่ยลักษณะแรกนี่ชัดก็คือว่าบอดจิตก็บอดหรือสภาพที่ดวงตาคือปัญญาบอดในที่นั้นคือดวงตาคือปัญญาไม่อยู่ในกระแสจิตนั้นจิตนั้นเลยบอดจิตนั้นเลยมืดนั่นเป็นโมหะแต่ลักษณะของปัญญาก็คือจิตต้องไม่บอดพราะลักษณะของปัญญาเนี้ยอโมโหยาถาสภาวะปฏิปฏิเวทะรักโนงไง เขาคือสภาพที่รู้แจ้งก็คือรู้แจ้งแทงตลอด่ปฏิเวถ้าทะลุทะลวงกนะ็าเนรู้แจ้งอารมณ์ตาความวาเป็นจริงเลยถ้าเรารู้โลกิยาปฏิเวทยานเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ลุ่มหลงเขาแปลว่าไม่หลงก็คือไม่บอดทั้งปรมัตและบัญญตัติเขาเข้าใจได้เขาทะลุทะลวงได้ใช่ไหมอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยมองมันคข้ควรไม่ออกคือมันความบอดมืดของดวงจิตก็คือดวงปัญญามันไม่เกิดนั่นคือโมหะก็มองตรงกันข้ามอย่างนี้นะถ้าโมหะเกิด มันความมืดมิดความมืดมนความบอดมันเกิดขึ้นในจิตแต่ถ้าปัญญาคืออโมโหหรือปัญญาเกิดปฏิเวทะอโมโหนี่แปลว่าไม่มีไม่แปลว่าแปลว่าปัญญาเนะยอโมหะเนี่ยอโมหะนี่แปลว่าปัญญาลักษณะก็คือแทงแทงก็เหมือนอย่างว่าสภาพที่รู้แจ้งต่อรมปรมัตต์ดุดนักแม่นธนูนักแม่นธนูธ น, น, น, นูมันแทงใช่ไหมเขายิงเข้าไปทะลุทะลวงเลยใช่ไหม ลักษณะของสภาพของปัญญากะทะลุทะลวงอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราดูอย่างนี้กิจของปัญญาก็คือสภาพที่ส่องอารมณ์ให้สว่างเจิดจ้าดุดดวงประทีปให้แสงสว่างถามว่าถ้าเราดูกิจจรสะของปัญญานี้เห็นชัดก็คือว่าความเจิดจ้าเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดมนอนทการไม่มีนะมันจะตรงกันข้ามกับกิจของโมหะ ถ้ากิจของโมหะนี่นะความสมบูรณ์ความไม่รู้ถ้ากิจจรัสสาคือสภาพที่ปิดบังความจริงใช่ไหถ้าสัมปติรสของโมหะก็คือความสมบูรณ์คือความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงของอารมณ์ไอ้คำว่าไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะกิจของเขาก็คือปิดบังความจริงความสมบูรณ์ของโมหะก็คือสมบูรณ์แล้วปิดจนสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าปัญญา สว่างเลยเหมือนดวงประทีปเลยใช่ไหมไม่มืดก็ทําให้สว่างขึ้นมากรณีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสภาพส่องคือเจิดจ้าดุจประทีปถ้าอุปทานากาละก็คือสภาพธทมที่ไม่หลงต่ อ, อรมในอารมณ์หนึ่งก็ถามว่าไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็คือถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นนะในปัญญาของบัณฑิต ทั้งหลายต่างๆไปไข่ควรสภาะวธรรมต่างๆเช่ไนไปไข่ควรในไปไข่ควรทางอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ได้กล่าวไข่ควรทั้งจักขุทวารวิถีโสตทวารคานาทวารทวาร่างๆาหูจมูกลิ้นไงจถ้าไปไข่ควรตัวมิถะไปเห็นกิตของมิทถาโอเนี่ยมิถะพยายามจะไม่ให้จิตเข้าสู่ทางจะไม่ให้จะไม่ให้จักขุทวารและวิถีเกิด จะไม่ทําให้จักรวิญญาณเป็นต้นเกิดเงี้นะเขาคอยล้งไม่ให้วิถีจิตไม่ให้ตะวนันไม่ให้ทางเทวให้จกหักขุทวานวิถีเป็นต้นนเป็นปายอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเออเข้าไปรู้จิตปัญญาเนะที่สามารถเข้าไปเจาะทะลุทะลวงได้ใช่ไหมสามารถที่เข้าไปรู้ทางตวานตาตะวันหูทะวนัะวนจมูกตวารลิ้นทะวนันกายทะวใจเขาปิดไม่ให้วิถีจิตเกิดขึ้นทางวันเหล่านี้เลยแต่มันธรรมชาติที่ปิดกั้นวิถีจิตเลยเนาะเนี่ย น, นี่ยานปัญญาก็ไปวิจัย อาการเหล่านี้ก็ปรากฏปรากฏปราก ฏ, ปรากฏในในญาณปัญญาของบุคคลผู้ไข้คนสภาพธรรมที่ไม่หลงเนี่ยเขาเรียกปราศจากความหลงแหละอุปัฏฐานะก็คือสภาพธรรมที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปารมณ์จัตตารลมอารมณ์ทางตาก็ไม่หลงอารมณ์ทางหูก็ไม่หลงทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่หลง ถ้าถีน้ำมีธาเกิดขึ้นหลงไหมหลงไหมหลงยังไงอะ่ะพอมีโมหะปิดด้วยให้โมหะเนี่ยนอกจากจะนอกจากจะอยู่ในตนเองแล้วเนี่ยถ้าไปอยู่กับอุทธจักก็วิจิกิจฉานี่หลงอย่างยิ่งแต่ถ้านอกนั้นอกุศลทุกดวงโมหะปิดหมดเลยทีนี้ท่านถึงบอกไงในคำสอนท่านบอกว่าเรากระแสะขันของสัตว์ทั้งหลายถูกโมหะปกครองมานานแล้ว มีโมหะเป็นราชาทิปดีมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอมัดคู่ใจใช่ไหมมันก็พาเราเนี่ยทำบาปมานานแล้วในสังสารวัฏเราเคยทำมาถุกคาต ด, ด้วยอุปชะเวทนียกรรมทีนี้ชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกตอนนี้ยังไม่หมดกำลัง สามารถจะพลากระแสขันของสัตว์ให้ลงอเวจีได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมต้องเพียรแล้วเรื่องแปลกแต่ก่อนเราไม่กล้าเชื่อคำตรงนี้เลยเนะี่ยอ่านศึกษามาไม่เชื่อเพราะสัตว์ทินรีไม่แข็งแรงแต่มาณนะวันนี้เมื่อสรุปคำสอนออกมาแล้วยอมจำนวนต่อคำสอนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ อ, อเป็นอย่างเงี้ยในคาสอนเป็นแบบเนี้ย เราไม่น่าเป็นไปได้นะเราทำํทำไมทําได้ขนาดนั้นนะกับผู้มีอุปการะคุณเราเมามาชาตินี้เราก็ไม่มีใจที่อยากจะทำด้านขนาดนั้นก็ทําให้คิดอตันเป็นค า, ารว่านี้ไหมโอ้เคยเคยกโกรธพ่อไงเคยกโกรธพ่อโกรธแม่เห็นไหมขนาดโกรธยังเคยโกรธแล้วใช่ไหมถ้าหากลองไม่ยับยั้งความโกรธนะครับนะข้าวก็จะไปหนักไปใหญ่ นันจัตที่ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ไว้ใจยากเลยไว้ใจยากนะอย่าละลึกชาติได้ตอนเป็นบุตุชนบางทีก็กลัวกันเลยใช่ไหมนี่กลัวเลยตกเนี้นะเนี่ยเราเรามาพิจารณาอย่างนี้ก็คืออากุศลกรรมทั้งหลายเนะี่ยมันก็ตามเล่นลเราตลอดตอนนี้อย่าแปลกถ้าเราเจอ สิ่งวิบัติทั้งหลายมันเกิดขึ้นอย่าแปลกใจเลยสภาพธรรมที่ทำให้ผลก็คือความปราศจากความหลงตรงกลางกับโกมหะเหมือนกันมักูเทศที่ชำนาญปะอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งสภาวะธรรมคือสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะดังกล่าวแล้วคือรู้สภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะก็ได้กล่าวไปแล้วสภาวะลักษณะ ส่วนสามัญลักษณะก็คือสภาพธรรมที่เข้าไปรู้ลักษณะตามความเป็นจริงของสภาวธรรมนั้นๆก็คือรู้อันนี้จะทำทุกขธรรมและอนัตตธรรมเป็นต้นเนี่ยรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหมกรณีอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สามัญลักษณะทีนี้พอพูดแค่รู้สามัญลักษณะเนี่ยมันก็ไม่ชัดก็เลยที่แรกก็เลยต้องยกเจอนะรูปธรรม ที่เป็นรูปรสันติที่มีการเกิดสืบต่อกันที่รูปที่เกิดก่อนการรูปสันติคือการเกิดขึ้นสืบต่อกันของหลังๆที่เกิดที่หลังมือจับอยู่ตรงเนี้ยแล้วต่อมาก็เคลื่อนมาตรงเนี้ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเนี่ยมันหมดเลยเนี่ยมันหมดทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันทำไมเร็วขนาดนะั้นแต่ทำไมเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรหมดเลยทั้งๆที่มันหมดเลยนะเนี่ยไอ้สภาพตรงเนี้หมดไปเลยนะเย มันแตกดับรืมล่ำรื้มลําเร็วมากแล้วเกิดใหม่ก็รื้มล่ำรื้มล่ำอย่างเนี้ยเร็วมันสืบต่อมาอย่างเงี้ยแลการยืนเดินนั่งนอนต่างๆเหล่าเนี้ยมีการเกิดสืบต่อกันอยู่ตามลําดับอย่างเนี้ยดูสภาพของปัญญาเราท่านทั้งหลายดไม่เห็นความสืบต่อกันกระแสของรูปธรรมเหล่านี้เลยท่านไม่ได้บอกให้เห็นทั้งหมดนหมายความว่าเห็นทุกกลราบเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ต้องเห็นยึดถือ ไอความปล่อยวางมันจะถอนมันจะคลายตัวจริงๆปัจจุบันนี้เราไม่เห็นความแตกดับเสื่อมไปสลายไปสิ้นไปความไม่มีสาระของสิ่งนั้นจริงๆอย่างเงี้ยมันไม่ปรากฏในกระแสะขันของเราท่านทั้งหลายมันก็เลยมีการยึดถือว่าเมื่อสักครู่กับเรามาตรงนี้ก็เราแต่ถ้าบุคคลที่สามารถไปเจาะทะลุดะลงจนเห็นพังทลายลงไปขนาดนั้นจริงจ ง, จงใช่ไหม แล้วมันก็เป็นของมันมาอย่างเงี้ยอนสภาพอย่างเงี้ยไอ้โรคปสันตติทั้งหลายต่างๆที่เกิดก่อนเกิดหลังนามสันตติทั้งหลายที่เป็นไปทางทวานิยมจมูกดิ้นกายใจมันก็แตกดับแล้วก็พังไปหมดแล้วอย่างเงี้ยทั้งนั้นทุกอย่างนี่พังทลายหมดแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะเพราะเหตุปัจจัยมันยังไม่หมดแล้วมันจะแตกจํานวนเท่าไหร่ในปัจจุบันนีพบนี้ก็ไม่สามารถคํานวณได้ ไม่ใช่ทายาทปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ท่านก็คํานวณได้เลยแต่เราท่านทั้งหลายเราไม่สามารถจะไปคํานวณความแตกดับความวิบัติไปของสามมยลักษณะในความไม่เที่ยงมีแล้วกับไม่มีถูกบีถู ก, ถกความเกิดและความดับเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์กษัตริย์เเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็หาสาระของความงามไม่ได้สาระของความเที่ยงไม่ได้หาสาระของความสุขหาสาระของความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้มันพังไปมันวิบัติไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ท่านปรากฏในยานปัญญาของผู้ที่ไปไข้ควรจริงๆเนี่ยสามัญยลักษณะตรงเนี้ยมันปรากฏในสามัญยลักษณะอย่างเนี้ยมันจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อเราท่านทั้งหลายอย่างเจาะลักษณะเฉพาะตัวกิจเฉพาะตัวแล้วก็ผลปรากฏแล้วก็เหตุไกลเหตุไกล้ของสภาวธรรมเหล่านั้นชัดแล้วก็ยกสิ่งเหล่านี้มาประชุมลงสามัญยลักษณะมันนึกอยาชัดใช่ไหมมันจะเริ่มปรากฏในนั่นแหละทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิจนาณาวิสุทธิแล้วก็ยกขึ้นสู่ตรยลักษ ตั้งแต่มัคคามัคะเป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นต่อไปมันจะกําหนดทิศทางถูกว่าไอ้ทางที่เรากําลังเดินกับทางที่เรากําลังจะไปเนี่ยมันมันมันใช่ตรงเลยที่เราคิดไว้ไหมใช่ไหมกรณีอย่างเงี้ยมันมันจะชัดขึ้นในยานปัญญาของผู้ที่ไปไข่ควรหรือศึกษาเรียนรู้จนชัดเจนแล้วแล้วก็ไปวิจัยจนเห็นอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยนี่มันจะละคายถ่ายถอนได้จริงๆริงใช่ไหมมันถึงจะละคายถ่ายถอนได้จริงๆ น, นีน เ, นเป็นอย่างนี้สามัญยลักษณ์สนมเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้บางทีมันเป็นแต่โอ้มันมันพอฟังทำนาดาอย่างเดียว่จะปะําปริมาณของการเอาไปไข่ครวนไปดาเนินการวิจัยแล้วอย่างก็คือว่าทําไมเนาะบ้านเราเป็นแบบนี้ชีวิตที่ผ่านมากันเราเป็นอย่างนี้เราเราตั้งหลักไม่ถูกอะ่ะคือมันเหมือนว่า เราเรียนคําสอนทั้งหมดเนี่ยโอ้โหดีหมดเลยอะอะไรก็ดีอะไรก็ดีดีดี ด, ดีแล้วจะให้ตั้งธงยังไงตั้งไม่ถูกเริ่มต้นยังไงไม่ถูกเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดยังไงเดินไม่เป็นเลยตอนนี้ยเข้าใจยังมันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วอย่างก็อย่างว่าแล้วสัตทินรียง่อนแง่นมากอย่าอย่างนี้แล้วจริงไหมไม่ใช่อย่างเนี้ย เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะตามความเป็นจริงกิจจรัสาก็คือว่าสภาพธรรมที่กําจัดความมืดหรือโมหะที่ปิดสภาวะตามความเป็นจริงเป็นต้นได้ถามว่ากิจรสากเนี่ยสภาพธรรมนะที่กําจัดความมืดกําจัดโมหะโมหะเนี่ยเขาไม่เห็นสภาวะลักษณะโมหะนี่เขาไม่เห็นลักษณะของสภาวะธรรมนะ ไม่เห็นการงานของสภาวธรรมว่าเช่นรูปเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรมีการเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์คือเย็นร้อนเนี่ยเขาไม่รู้รเขาไม่เข้าใจโมหะไม่เห็นไม่ใช่เขาจําไม่ได้โมหะเนี่ยเขาเรียกมิจฉาญานะเขารู้ผิดเขาเข้าใจเขาเรียนได้เขาเข้าใจได้เขาท่องได้แต่เขาไม่เคยเห็นสภาพของรูป ปัจสันตินะรูปปัจสันติอ่ะคือการเกิดขึ้นของรูปธรรมที่เกิดก่อนและรูปธรรมที่เกิดมาหลังๆเนี่ยเขาไม่เห็นว่าแต่ละอย่างนั้นที่มีการสืบต่อมีการสลายไปเพราะปัจัยที่เป็นปัญญปักทั้งนั้นทั้งๆที่รูปธรรมที่เกิดก่อนและดับไปรูปธรรมที่เกิดหลังๆตามมาที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายมองเห็นว่าเรายังไม่ดับกันเนี่อรูปธรรมทั้งหลายยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เนี่ย สภาพเหล่าเนี้ยโมหะไม่เข้าไปเจาะเห็นตามความเป็นจริงเพราะมันมืดแต่ไม่ใช่โมหะไม่รู้เรื่องโมหะเรียนรู้จําได้เข้าใจตรงเนี้ยเขารู้ทุกเรื่องแหละโลกี้ธรรมเนี่ยเขาไม่รู้โลกรุตละธรรมไอลักษณะตัวเนี้ยเขาไม่ได้เข้าไปเห็นจริงๆอย่างทองแท้ถ้าเห็นจริงๆท่องแท้มันก็ก็เหมือนไปจุดไฟขึ้นมาเนี้ยความมืดหายไหมอันนี้ไฟมันไม่สว่างประทีบมันไม่ถูกจุด ดวงปัญญาของกระแสสัตว์ไม่ถูกจุดขึ้นมาด้วยปัญญาเสีทีมันก็มืดมันก็ไม่เห็นความความสืบต่อของรูปประสันติทั้งหลายเหล่านี้ยที่เกิดก่อนกับรูปสันติที่เกิดหลงัลงๆใช่ไหมทั้งเกิดก่อนนี่นะก็สันติที่เกิดก่อนก็ถูกปัจจัยกล่าคือเย็นร้อนเป็นต้นทําให้พังไปทําให้สลายไปไอ้รูปประทามที่เกิดหลงัลงๆแทนมาแทนรูปธรรมที่เกิดกนก่อนก็ถูกปัจจัยคือเย็นร้อนเป็นต้นเหล่านี้นะ ก็ทําให้พังไปตามลําดับแล้วก็เกิดแทนกันมาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไอ้ที่หมดอายุก็ดับไปไอ้เกิดเกิดหลังก็เกิดมาแทนเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่เข้าไปเจาะเห็นตรงนั้นจริงๆปัญญาไม่เกิดนี่เขาเรียกว่าปัญญาไม่เห็นสภาวะลักษณะของรูปธรรมนั้นๆตามความเป็นจริงเมื่อไม่เห็นรูปสภาวะลักษณะของรูปธรรมนั้นตามความเป็นจริงโมหะมันก็เกิดโมหะมันปิดทีนี้โมหะมันปิดเบ็ดเสร็จตัวนี้มันก็ ความสะดุ้งสะเทือนไม่เกิดความขามาักขมแน่นความสัตยินรียต่างๆก็ไม่แข็งแรงแล้วเพราะมันไม่เห็นความวิบัติไปเฉพาะหน้าใช่ไหมถ้ามันเห็นรู ป, ปรธรรมทั้งหลายโลภะสัญ ต, ติทั้งหลายเนี่ยที่มันวิบัติไปเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์แล้วก็ปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะเขายกทั้งปัจจัยอื่นปัจจัยไกลและปัจจัยใกล้ แล้วก็ยกทั้งปัจจุบันของเขาเหล่าเนี้ยขึ้นมาประชุมกันจนสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมเหล่านั้นและความที่ไม่เที่ยงแท้ของปัจจัยจะทำเหล่านั้นเป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้มันชัดยากเลยยากเลยมันเป็นอย่างนี้ลักษณะธาตุสภาพที่กําจัดความมืดเนี่ยฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ากิจของปัญญาเกิดขึ้น ปัญญานั้นก็ก็จะกำจัดความมืดใช่ไหมกรณีเมื่อกี้สามัญยลักษณะที่กำจัดความมืดอันแรกก็คือกำจัดความมืดเรือปกติก็คือสภาพที่กำจัดโมหะไอตัวโมหะมันปิดบังที่เราทำไมเราไม่เห็นลักษณะของเราไม่เห็นลักษณะของสภาวธรรมเลยใช่ไหมเช่นกิตของปทวีไม่รู้เป็นยังไงเลยลักษณะของปทวี จิตของปฐวีคือดินเนี่ยนะธาตุดินเนี่ยเป็นต้นเนี้ยดินน้ําไฟลมเนี่ยจิตของเขาเป็นยังไงผลปรากฏเป็นยังไงเหตุกลณ์เหตุใกล้เนี่ยเช่นในปฐวีคือผมปฐวีดินน้ําไฟลมที่อยู่ในผมดินน้ําไฟลมที่อยู่ในขนดินน้ําไฟลมที่ลมที่อยู่ในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในในกระดูกในเยื่อในกระดูกมีดินน้ําไฟลมไปชุ่มหมดเลยไอดินน้ําไฟลมเหล่านี้ย มันมีปัจจัยคือกรรมเป็นปัจจัยบ้างจิตเป็นปัจจัยบ้างอุตุและหารเป็นต้นเป็นปัจจัยบ้างใช่ไหมไม่พอบอกกรรมเป็นปัจจัยไม่ใช่กรรมอย่างเดียวเรามีตัณหาในอดีตเป็นปัจจัยด้วยปัญหาที่มีกรรมแวดล้อมอยังไงปรารถนาจะมีผมเนี่ยตัณหาตรงนั้นแหละก็เรียกว่ามันตัณหามันเชื่อมติดในกระแสใจของสัตว์ทั้งๆ ท, ที่ทํากุศลกรรมนี่แหละแต่มีตัณหาเป็นบริวาร มีตันหาแวดล้อมอยู่นี่แหละทําไม่ไม่พ้นจากขอบข่ายของตันหาปรารถนาเป็นมนุษย์ก็คือปรารถนามีผมมาเป็นมนุษย์ศีรษะโล้นเนี่ยอยากเป็นไหมผมไม่ขึ้นเนไม่มีก็อยากเป็นมนุษย์ที่มีผมอยากเป็นมนุษย์ที่มีขนใช่ไหมอยากเป็นมนุษย์ที่มีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกนั้นกุศลกรรมที่มีตันหาแวดล้อมมีโมหะปิดอยู่ที่จริงเหตุเนี่ยนะ เหตุธรรมของเหตุของรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสมุทัยสัจจะทำที่ไม่ใช่สมุทัยสัจจะอยู่ในฐานะเป็นเหตุก็เป็นเช่นกรรมเนี่ยเป็นเหตุแล้วก็โมหะก็เป็นเหตุอุปาทานเป็นต้นก็เป็นเหตุในกลุ่มของกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเป็นเหตุของรูปธรรมที่เราได้กันในวันนี้อยู่ รูปธรรมที่กำลังแตกดับสลายไปและกำลังเกิดมาทดแทนใหม่แตกดับสลายไปกำลังเกิดมาทดแทนใหม่อยู่ทุกทุกขณะรูปธรรมเหล่านี้มีปัใจจัยในอดีต ท, ที่มีตันหาเชื่อมไว้หมดเลยนั้นตันหานี่แหละคือความปรารถนาในกรณีที่อยากจะได้รูปธรรมเป็นต้นเหล่านี้เข้าใจยังยากไหมเนี่ยพอออกไหเขาถึงบอกอ๋อไอ้คาว่า ยินดีมันเป็นอย่างนี้เองลองคิดดูนะว่าพอเราได้มาแล้วเนี่ยเรายินดีเขาจริงๆมิงไยินดีจริงๆด้วยทุกวันเลยอะตกแต่งเขาดูแลเขาหวังมานานแล้วหวังมาหลายอัตรภาพแล้วดูแลเขาส่องแล้วส่องอีกดูแล้วดูอีกตรวจสอบใช่ไหมประครบประงมดูที่นอกจากเขาจะเป็นปัจจัยแก่ แกรูปประธรรมด้วยนะแกตาหูจมูกลิ้นกายไม่พอนะแกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นไม่พอนะเขายังเป็นอุปนิสยปใจตัณหาที่เกิดก่อนในสังสารวัตที่ทากรรมอันเนี้ยยังมาเป็นอุปนิสยปัจให้ตัณหาในปัจจุบันเกิดอีกครั้งเขาชื่นชมมากถ้าบอกว่าระหว่างรักคนอื่นกับรักตัวเองเนี่ย ตัณหาตัวเองมากทั้งๆ ต, ตัวเองไม่ค่อยน่ารักแล้วก็ยังรักอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมมันชื่นชมมากดูตรงไหนก็น่าชื่นชมนี่เป็นอย่างนี้ทุกส่วนตัณหานี่เขาเรียกว่าอุปนิสยาปรจัยเนี่ยตัณหาอันเป็นเรียบร้อยแล้วอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยทีนี้ต่อมาเราก็มาเจริญกุศลกันแต่มีตัณหาเรานี้แวดล้อมที่ปัจจุบัเนเห็นไหมตัณหาเรานี้ก็แวดล้อมอยู่เรื่อยอย่างนี้กรรมใหม่ก็ได้ไหม ก็ไปได้ไอ้รูปธรรม ท, ที่มีตัณหาเป็นปัจจัยอย่างเงี้ยเข้าใจยังมันก็ออกไม่ได้เพราะตัณหาเป็นอย่างเหนียวเชื่อมไว้ทุกภพเลยเดี๋ยวนี้นี่เป็นอย่างนี้และลักษณะอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะเปิดได้สักทีเพราะปัญญาไม่เกิดนั้นปัญญาเนี่ยต้องลักษณะรู้แจ้งนะกิจของกําจัดความมืดคือโมหะที่ปิดบังมันปิดบังพอพอมันเปิดเบ็ดเสร็จมาแต่นี้เวลาทำมันระวังมากจะไม่ทนาเกิดหรอก พยายามไม่ให้ตัณหาในปัจจุบันเกิดและป้องกันตัณหาในอดีตไม่แห้มาเป็นอุปนิสัยประใจแกตัณหาและกิเลสอื่นๆในปัจจุบันด้วยป้องกันด้วยและก็ไม่พยายามป้องกันแม่กตัณหาในอดีตทั้งหลายกรรมในอดีตทั้งหลายมาอิทธิพลต่อการทํากุศลกรรมในปัจจุบันที่ทําให้มันบิดเบี้ยวอ่ะเพราะอัธยาศัยของศัสตร์เนี่ยทำกรรมเพื่ออยู่ในภพไม่ได้ปรารถนาหลุดจากภพจริงๆหรอก อัจยาศายของสัตว์เนี่ยทำกรรมทุกอย่างในปรารถนาอยากจะเกาะแน่นติดกับภพนี่แหละปัญญามันมีเดินเป็นแบบนี้มันก็จะติดอยู่กับภพก็จะอยู่กับภพกันอยู่นี่แหละคือรูปแบบบางทีใช่หมดแล้วคอยถึงความทุกข์คือพระนิพพานเทินกันทั้งนั้นแหละแต่อัธยาสัยจริงๆมันติดภพใช่ไหมอธิษฐานเสร็จปุ๊บโอ้โหการกระทําดูสิกินอาหารก็ตัณหาเกิด ทำอะไรก็ตัณหาเกิดทั้งมองทั้งแรงต่างตัณหาเชื่อมดดนะักอธยาสัยมันไม่คิดออกเลยจริงๆโดยข้อเท็จจริงมันต้องปรารถนาเนยจะออกจะออกทําท่าจริงๆไม่อ้อมออกซะแล้วแลด้วยข้อปฏิบัติ น, นอนมออกไปแล้วมันดูตรงนี้ถ้าปัญญาเกิดแล้วน้อมออกทุกขณะถ้าปัญญาเกิดจริงๆจะน้อมออกน้อมสละเพราะอะไรอ่ะเขากระจับกําจัดความมืดถ้าไปเห็นลักษณะเฉพาะตัวซะแล้ว แล้วก็ไปกําจัดความมืดในสามัญลักษณะเซะแล้วเนี่ยมันเปิดเผยมาแล้วแต่เนี้ยเอางี้เอเราอยู่กับยักษินีมานานแปลงรูปมานานใช่ไหมโอ้โหวันคืนก็แล้วก็หลงรุ่มหลงแต่พอวันหนึ่งเนี่ยไอสภาพของนางยักษินีปรากฏเราเห็นความจริงเรารู้แล้วเนี่ยเรายังอยากจะอยู่ไหมอยู่มันกินหรือใช่ไหมเพราะว่าวันนี้อะ เขาเขาไปทำลายคนอื่นใช่ั้ยเขายังไม่ทำลายเราเพราะยังมีคนอื่นให้กินอยู่เออแค่นั้นเองก้อนเนี้ยเรามันนอนกอดกระแสะขันเนี่ยก็คือยักใช่ั้ยอันนี้มันยังไม่ปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ไปใข่ควรถ้าปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ใข่ควรเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในกรงเล็บของเขาเขาจะจัดการเนี่ยถ้าเราว่า ตายแล้วก็ไปอยู่ในกองเล็บของเขาอีกมันไม่เอาแล้วอยากจะออกตะเพื่อตะเพือเลยใช่ไหมแม้จะคุยกับเขาจะทำกิจกับเขาก็ระมัดระวังไหมนั่งกินข้าวกับเขาต้องระวังไหมยอมบว่าถ้ารู้ว่าภรรยาเป็นยักษ์ยักษีนีระวังไหมจะพูจาเขาต้องระวังไหมเวลานอนนอนหลับสนิทไม่นอนกับเขานอนไม่สนิทแล้วตอนนี้บ่งบอกถึงว่าเรานอนสนิทดีไหม โดยข้อเท็จริงเนี่ยเราเคยกลัวตาหูจมูกเล่นกายใจของเราไหมว่าเป็นยักษ์ใช่ไหมเรายังชื่นชมอยู่เลยแล้วยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่เลยเนี่ยเพราะมันไม่ปรากฏมันก็ยังนอนหลับสบายอยู่ก็กินอาหารก็อร่อยอยู่ใช่ไหมไปไหนไปไหนก็มีความสุข ย, ยิ้มแย้มแปะผ่องใสยอยู่อันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าโมหะนี่โมหะถูกญาณปัญญากำจัดได้แล้วมันเปิดหมดแล้วเขาเรียกว่า เปิดหน้าดูกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะหนียังไงเท่านั้นแหละตอนนี้ถ้าปัญญามปนเกิดปุ๊บเนี่ยมันบอกว่ามันชัดเจนหมดแล้วแล้วระวังมากพอ ร, ระวังไม่ให้บาปเกิดระวังอยู่กับสิกขาสามถ้าตกกับสิกขาสามเราโดนกินถ้าอยู่ในสิกขาสามปลอดภัยอเงี้ยนี่ชัดแล้วงี่มันมั่นคงแล้วไม่ยอมออกแน่นอนจะ อ, ออกไปได้ยังไง ขาจะแย่ออกไปสักหน่อยยังไม่กล้าไม่กล้าแย่แยออไปเรื่อกลัวดู ก, กินใช่ไหมทีนี้มันเคยระวังขนาดนั้นไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยปัญญาไม่เกิดถ้าสภาพปัญญาเกิดมันเป็นแบบนี้มันชัดเจนอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเจนแล้วมันจะม่มัวกังวลทากิจอย่างอื่นไหมะจะม่มัวทากิจอย่างอื่นไหวไหมอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วจริงไมจริง นอนสบายอยู่ไหมเที๋นี้ยก็นอนอยู่กับยักษ์่ยมันจะกินเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมปัญญาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นมันทําลายทําลายตัวโมหะนี่พอโมหะมันไม่ถูกทําลายเนี่ยมันก็เออไม่เห็นน่ากลัวเลยแต่ถ้าถ้าโมหะถูกทําลายปุบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเลยไม่เอาเอางี้ เอาที่นอนเอาแมลงป่องไปไววให้เต็มเงี้ยเรายังนอนไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้มันยิ่งกว่าแมลงป่องนะยักษ์สินีไอ้กระแสขันมันยิ่งกว่านั้นอีกแล้วเราไปประคบประงมมันอย่างดีเลยอะเอาอะไรมาบำรุงเอาอะไรมาดูแลมันเหตุผลยังไงรู้ไหมถ้าหากรู้ว่าร่างกระแสขันเป็นยักษ์แล้วดูแลเนี่ยเพื่อไม่เพื่อเราจะรีบทากิจให้เสร็จเราจะได้หนีทัน มันก็กลัวเรารู้มันใช่ไ้ยเราก็กลัวมันกัดกลัวมันทำร้ายใช่ไม่ใช่ขออภัยใช้ศัพท์นี้เนีันมันจะได้ชัดใช่ั้มมันต่างคนต่างก็เฮ้ยไม่ได้เรื่องแล้วนั้นเราจะดูแลเขาก็ดูแลพอพอเป็นไปได้เราจะจะจะไม่มีการที่จะไม่เป็นที่ตั้งความรุ่มหลงเลยเรามัดระวังแล้วเราก็จะไม่พลาดเด็ดขาดไม่เพ้อสติเด็ดขาด ไปนั่งหลับเงื้องือยู่ได้ไมั้ยต้องเห็นอย่างนั้นถ้าปัญญาเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นชัดมันอยากหนีอย่างเดียวเพราะอย่างที่บางทีก็อุปมาหนักหนึน่ปุ๊บเข้าไปเนี่ยเป็นศรีรษะงูมีดอกจันทร์สามดอกที่หัวด้วยที่แรกนึกว่าปลาใช่ไหมตอนจับอยู่นึกว่าปลาในวิสุทธิมรรคเนะี่ยพอเอาสุ่มไปครอบแล้วเนะี่ยโหมันดิน้นตุ๊บตุุ๊๊นี่ปลาเนี่คว้าเต็มที่เลย พอยกขึ้นมาพอเห็นในหัวแฉกสามเป็นรูปดอกจนันสามดอกแล้วไหวไหมเงี้ยปล่อยเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้จากาศมันไม่มีกำลังจะปล่อยในตอนนี้แล้วมันก็ลัดมือเราอยู่ย้ตอนนี้เรายังไม่แกะอะไรได้เลยเนี่ยยังไม่ละอะไรได้เลยเนี่ยท่นเป็นอย่างนี้ตอนี้ก็เริ่มห า, หาวิธีแล้วหาวิธีค่อยๆแกะแกะแกะระวังไหม ระวังมากอันนี้ก็เหมือนกันมันจะกัดเมื่อไรก็ได้เนี่ยกระแสขันเนี่ยนี่เรามันนอนเกาะมันอยู่ตัวมันเลยนะในที่อยู่นะ้แล้วนี่เป็นอย่างนี้ถ้าโมหะความมืดเนี่ยปกปิดสภาวะในลักษณะสามญญารรรธรรมของอิงปรมัทธธรรมมันปิดอยู่มานานแล้วแล้วก็ถูกกัดตายไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่านี่มันเป็นงูมันเป็นยักษ์เป็นต้นใช่ไหม พระ อ, องค์ในโอมาเยอะแยะคือต้องการจะเปิดให้เห็นว่าพระองค์จุดประทีปไปเห็นว่า น, านันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเราท่านทั้งหลายก็ตามท่านดิตามตามตามวิจัยตามว่าจริงไหมจะเห็นชัดแล้วโอ้เป็นเงนั้นจริงๆอาะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนี่โทษของการไม่วิจัยไม่ไม่ไมทําบัญญัติเกิดที่นี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากําจัดความมืดโมหะที่ปิดบังสภาวะลักษณะและสามั ญ, ญลักษณะ ผลของปัญญาก็คือว่าสภาพธรรมที่ไม่หลงต่อปรมัตถธรรมทีนี้ในคําสอนในคําสอนบาลีท่านใช้คําว่าสมายตโตยะถาภูตังประชานาติปัสติปัสติติวจนะโตปะนะสมาธิตัสสะปะัฏฐานาในวิสุทธิมรรคในในในเล่มนี้กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกปทัฏฐานคือสมาธิที่ตรัสว่าผู้ประกอบด้วยสมาธิตั้งมั่นย่อมรู้ ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงแน่นอนฉะนั้นประทัดฐานนี้แสดงไว้โดยพิเศษสําหรับผู้เจริญนิปัานนาปัญญาเท่านั้นนี่นะคําว่าสมาธิเนี่ยสมาอโยยถาภูตังประชานาติปัสติปัสติติวัจนะโตปะนะสมาธิตัศประทัดฐานานเนี่ยคำว่าประทัดฐานคือสมาธิผู้ประกอบด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง อันนี้คือประทัดฐานที่แสดงไว้โดยพิเศษสำหรับผู้เจริญวิปัสนาปัญญาสรุปก็คือว่าถ้าเราดูลักษณะของปัญญาจะเห็นชัดดูลักษณะของปัญญาถ้าในลักษณะของปัญญาในคำภีวิสุทธิมครคมีทั้งลักษณะลักษะปัจจุบัฐานและประทัดฐาน ที่บอกว่าประทัศฐานก็คือว่าออลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาเป็นต้นเหล่าเนี้นะสมาฮิตโตยธถาภูตังเนี่ยย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูแค่ตรงเนี้ยเราอ๋อคำพีสุตติมาเ ก, ก่าอย่างนี้แล้วก็ฟังและดูกันเลยลอยต้องไปดูในที่อื่นที่ท่านกำหนดไว้ให้ด้วยว่าในที่เนี้ยเป็นประทัดฐานของบุค ที่ตรัสไว้โดยกรณีโดยพิเศษโดยพิเศษก็คือสำหรับบุคคลที่เจริญปัญญานี่นะยตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าลักษณะของปัญญาที่แปลว่ารู้ทั่วรู้ทั่วรู้อะไรรู้โดยประการต่างๆวิเศษด้วยการที่จำได้อาการที่รู้แจ้งเนะี่ยแต่ไม่ใช่นะปัญญานะ่ะปัญญาไม่ใช่รู้เหมือนสัญญารู้ปัญญาไม่ใช่รู้อย่างวิญญาณรู้ใช่ไหม พารู้อย่างสัญญารู้ก็อย่างไม่รู้จํารู้อย่างวิญญาณรู้ก็รู้อีกอย่างก็เข้าไปรู้รูปอารมณ์จัตตารลมเป็นต้นเหล่าเนี้ยเขาบอกว่าสัญญารู้เพียงจําอารมณ์ว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเท่านั้นใช่ไหมแต่ไม่อาจที่จะรู้แจ้งแทงตลอดลักษณะทั้งปัจจตาลักษณะและสามัญลักษณะของสภาวธรรมเป็นต้นได้โดยเฉพาะว่าสัญญาไม่สามารถที่จะรู้ว่านิจจะทำ คือทำที่ไม่เที่ยงทุกขธรรมทำที่เป็นทุกข์แล้วนะแต่ทำตามที่เป็นนัตตาแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณรู้สีเขียวสีเหลืองและก็สามารถรู้แจง้งแทงตลอดลักษณะด้วยใช่ไหมวิญญาณรู้ลักษณะเฉพาะตัวได้เช่นรู้ลักษณะรู้กิจรู้อาการปรากฏรู้เหตุไกลเหตุใกล้เ น, นี่ยทำไมจะไม่รู้ถ้ายิ่งมักขยานด้วยแล้วเนี่ยทําไมจะไม่รู้รู้ตั้งเยอะแยะเออมักขจิตเนะี่ยข้อพายตัววิญญาณเท่านั้น แต่ไม่อาจจะก้าวไปถึงความปรากฏแห่งมรรควิญญาณเนี่ยไม่สามารถจะก้าวไปถึงถึงมรรคเป็นต้นได้ตัววิญญาณตัวจิตนะจักวิญญาณโสตวิญญาณกายวิญญาณจิวหาวิญญาณกายมโนวิญญาณเนี่ยไม่ไม่สามารถจะก้าวไปถึ ง, ถงมรรคแปดเป็นต้นได้เพราะตัวมรรคแปดจริงๆไม่ใช่จิตใช่ไหมตัวเจสิกธรรมนึงแล้วแต่ปัญญาสิ รู้อารมณ์รู้แจ้งแทงตลอดลักษณะด้วยทั้งปัจจตารักษณะทั้งสามัญยลักษณะและ